เป็นสับพัญยูตรัสอนความจริงตรักษณความจริงอันนี้เขาเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาพวกเราพระพิศูสมนีหล่อจนยาศโยงก็ได้มากระชุมกันทําวักเดือดมนนั่งสมาทิพอหนา เพื่อที่จะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัคธรรบูชาพวกเราทุกคนแด่ใสคุณงามความดีของสมเด็จพระสัมราสมัาสมพุเจ้าของเราซึ่งได้สร้างบารมีมานับพบนับทราบไม่ถ่วนเป็นกระทั่งในข่้สุดท้ายนั้น ก็ได้ะสรขึ้นมาเจอในเพศของกษัตริย์ผสก็ประสูมที่ป่าเมื่อออกแรงหาความพ้นทุกข์ก็ทัรู้หรือว่ารักกิเลสนั้นก็ที่ในป่าในครั้งสุดท้าย เมื่อพระพุทธมงค์จริญ น, นิพพานก็เริญนิพพานในป่าพระพุทธองค์่านตรัว่าเมื่อตถาคตร่วงไปแล้วธรรมวิมัยก็จะเป็นศาสดาแทนแทนท่านพวกเราทุกค น, นก็ควรที่จะได้เล็ดลื องสมเดจทสามารุพุทเจ้านั้นเป็นแบบอย่างในสมัยที่ท่านเดงสร้างไปมีเพื่อพัฒนาเป็นพพุิเจ้านั้นท่านเข้าพย า, ายามขวไควในการสร้างไปมีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ทำให้จิตใจของพองค์นั้น มีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งมีกำลังใจซึ่งตั้งมั่นในสารที่จะต่อสู้กับกิเลสเหรือเจชื่อกิเลสได้ในชาติสุดท้ายด <c oughs> ้วยความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านก็ปรารถนาที่จะแนะนำสั่งสอนพระพุทสัมเนนหรือปาสกบาติกานี้ ถ้าคจากผลทางเดิไนไปเพื่อความเนทุกข์พวกเราทุกคนก็ใส่คุณงามความดีของพระพุธทธงูปใส่คำสอนของพระพุธทธรูเราทุกคนจึงพากันตั้งใจที่จะประพฤิปฏิบัติธรรมหรือพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดี ย, ยิ่งขึ้นไป การที่พระพุทธทรงตน์นั้นท่านได้เกิดขึ้นมาในเพศกษัตรท่านมีทรัพสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขในทางโลกนั้นพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็สลับล่าสมบัติสลับภรรยาสละบลูกออกเสวยหาคนทางความคนทุกข์เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายในภายภาคหน้า ท่านสละความกังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติหรือเป็นภรรยาหรือบุตรกตาเพราะท่านปรารถนาคุณนันยิ่งใหญ่ใน้ชีวิของพระพรธองนั้ น, นเป็นแบบอย่างอันดีที่เราทุกคนควรที่จะนำมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต แม้ในทางโลกก็เหมือนกันในการสร้างบามีในแต่ละภพแต่ละชาติท่นก็ส้างทาบงบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีบามีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพึงจะควรขวายเลยก็ทําได้ท่านก็พยายามที่จะทำเพื่อปัตตนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ยหรือพระพิสุทธิมณีก็ตามซึ่งอาศัยธรร ม, มะ และภาวินัยเป็นเครื่องดำเนินในการปรพติบัติให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ทํางอาใสยพระพุทโธเนี่ยเป็นแบบอย่างและเรียกถึงปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมา ส, มาสมัมพ้าหรือพระาอาจารพวกทั้งหลายซึ่งท่านปรพฤติบัติดําเนินในศีลสมาธิปัญญาที่เป็นหนทางดําเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ อันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นพระพิสุธรสมเนีนหรือบาลสกุวัชิการก็ตามซึ่งพยายามที่จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาณในแต่ละวันแต่ละคืนที่ร่วมหรือบ่านค้นไปเราทําอะไรกันอยู่ไม่ทําถึ่นงความดีให้ถึงป้อมยังพระรพิสุธรสมณนก็มาปฏิบัติในการที่จะ ทนสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องหรือยังสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ภาคเปลี่ยนพยายามทำให้เกิดมีขึ้นภายในจิตใจของเราด้วยความมีสติเฝ้าดูแ ล, แลรักษาจิตใจของเราตลอดในทุกๆุกยาื่อบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือทําอะไรก็แล้วแต่มีสติควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็ทํำในสิ่งที่ดี ในทุกๆวันเมื่อเราควบคุมจิตใจเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินยัยการทำสมาธิการทาจิตให้สงบนั้นก็เป็นไปได้โดยง่ายเพราะศีลเป็นความสงบในเบื้องต้นเมื่อเรามีสติในการที่จะตัดอารมณ์ความนึคิดซึ่งเป็นเรื่องอดีตออกไปตัดความนึคิดปรงแต่งในเรื่องอนาคตออกไป สติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาอยู่ทุกๆวันทําให้มากจเจริญให้มากเมื่อเราทําความเปลี่ยนภาวนาโดยไม่ท้อถอยความสงบนั้นก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราเมื่อความสงบเกิดขึ้นที่ใจของเรานั้นปติจะตั้งมั่นเห็นอาการของจิตเห็นอารมณ์ของสิเดชซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราแต่ถ้าเรา ไม่พากันฝึกหัดทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องจิตกับกิเลส ก, ก็เป็นในหนึ่งเดียวอันเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เพราะอารมณ์ใดจิตก้อนนั้นจิตอันในดาอารมณ์ก้อนนั้นเป็นในหนึ่งอันเดียวกันมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนเป็นเรามีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเรานี้เป็นตัวตนของเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นการที่จะมีสติเห็นจิตเห็นอารมณ์นั้นก็ต้องพากันการจิตให้สงบด้วยการทําสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องพยายามละความกังวลทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากแใงเราจะเป็นอารมณ์ดีที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ตามก็ไม่ควรดาเนินถึงจะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นความไม่คิดปรงแต่งไปนในเรื่องอนาคตก็ยังไม่ถึง ก็ไม่ควรที่จะเป็นห่วงอะไรเพียงมีสติตกำหนดสติอยู่กับปัจจุบันธรรมทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องความสงบก็เกิดขึ้นมีปิติมีความสุขใจเกิดขึ้นมีอเบกขาเกิดขึ้นไปในจิตเราจิตของเรานั้นก็จะเกิดความตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อตายเห็นลูกมีความพอใจมีความไม่พอใจก็จะดี อุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นจิตก็เป็นกลางเมื่อหูได้ยินเสียงแต่ความพอใจความไม่พอใจก็มีสติมีปัญญาพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจเราทุกๆขนาจิตเมื่อเรามีสติจัดจ่อดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเช่นนี้จิตของเรานั้นก็อยู่ในปัจจุบันธรรม มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้จักเห็นความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ภายในใจงเราเราก็รู้จักเอาบายที่จะดับความทุกข์ภายในจิตของเรานั้นทุกๆขณะจิตเมื่อจิตของเราว่างจากอารมณ์เราก็ฝึกหัดกรรมสมาธิภานาฝึกจิตให้มีความสงบยิ่งยิ่งเพิ่มไปเมื่อจิตของเรานั่งมีความสงบยิ่งขึ้นกําลังของสติก็ตั้งมั่นขึ้นเราจะยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณา ในอาการสามีสองเดือสุภาพธรรมาหรือท่าทั้งสี่จะพิจารณาเห็นเป็นอริยังทุกขัรตตาแล้วก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นได้ชัดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้แต่ถ้าจิตของเรานั้นไม่มีกาลังของความสงบก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาในการที่จะแยกแยะพิจารณาร่างกายของเรานั้นให้เห็นตามความเป็นจริง ว่าร่างการเราหรือบุคคลหนึ่งนั้นประกอบไปด้วยท่าดินท่า น, น้ำาตาลมทั้งไปประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นไม่เกินร้อยปีก็แตกสลายลงไปสสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นดยู่เช่นนี้ตลอดนานตะการไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นความเพียจรจึงเป็นสิ่งที่ควรทําในวันนี้ใครเราจะรู้ความตายในพรุ่งนี้เราจะปล่อยจิตใจของเรานั้นไปกับพิเลศ ไปกับอามทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทําไมตึงมีสติที่จะตัดอลรมออกไปจากใจงเราทําสมาธิให้เกิดขึ้นหาบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภให้บรรเทาบางไปจากจิตแจงเราละความโกรธความมาคาตคดบาตให้ออกไปจากจิตแจงเราคือมีสติตั้งใจว่าเราจะทําลายความโลภให้สิ้นไปจากแจงเราเราจะทําลายความโกรธให้สิ้นไปจากแจงเราไม่ให้หลงเหลืออยู่ภายในใจเราเลย เมื่ออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราต้องตั้งสติตั้งใจที่จะชนะกิเลสเอาชนะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราตั้งใจเช่นนี้เมื่อมีความทุกข์ใจอเ น, นื่องมาจากอารมณ์ทั้งหลายเราก็จะหาวิปปิกญญารในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกจากิจการเราอยู่เสมอมรทตปฏิบัตินั้นทั้งมุ่งที่จะ เอาชนะกิเลสไปในใจงเราชนะความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจงเราสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ละเสียไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีอยู่เสมอเราก็พูดในสิ่งที่ดีเลยกระทำในสิ่งที่ดีเมื่อมีความคิดที่ไม่ดีแสกเส้นข่าวใด ก็กำหนดสมาธิตัดอารมณ์นั่นออกไปจะหาวิบากัญญาในการที่จะพิจารณาและอารมณ์ที่ไม่ดีไปจากจิตใจ เ, เราอยู่เสมอถ้าเราพิจารณาให้จิตใจ เ, เรานั้นพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่หรือพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นเป็นแต่เพียงท่าทางธรรมชาติจิตใจ เ, เรานั้นก็มีความสงบเยือกเย็นมีความโกรธเกิดขึ้นก็จะเล่นเมตตาให้หายซึ่งกันและกันทํามใจเรานั้นให้ปัิจจ์ความโกรธ ให้เป็นจากความไม่พอใจจิตแจงเราก็มีความสงบเยือกเยน็นมีสติมีปรรัญญาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้อยู่เสมอก็สามารถที่ทําให้ความโลภมันเทาบางไปความโกรธมันเทาบางไปความหลงในกายตนมันเทาบางไปจิตของเรานั้นก็จะมีปติรู้เท่าทันว่าร่างกายเรานี้ไม่ใช่จิต น, นี้จิต น, นี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ มีสติเห็นความจริงเช่นนี้ก็สามารถที่จะถอนอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนในเบื้องต้นได้เมื่อเราจะทําความภาคเพียนในศิ่งในสมาธิในกัญญาในลําดับต่อไปโดยไม่ในในท้อถอยเราก็ยกร่างกายเรานั้นขึ้นมาพิจารณาให้ละเอียดขึ้นจงจะตั้งเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ตัวตนจิตของเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตน ปล่อยวางความโลภให้บรรเทาเบาบางไปปล่อยวางความโกรธให้บรรเาเบาบงไปเราก็จะเรีนมีศีลมีสมาธิปัญญามีสติกำหนดที่จะพิจารณาอารมณ์ไปในใจใเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ส่วนละเอียดและมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายาเรานี้ให้เห็นเป็นอสภุภะกรรมฐานเรขากรรมฐานให้ผิดปล่อยวางความมิดมั่นถิดมั่นในร่างกายาเรา พิจารณาไปจนถึงเห็นจนไปถึงความว่างะว่าไม่มีอะไรพิจารณาท่าจนถึงความาว่างว่ากายนี้ไม่มีอะไรศัพท์ ว, ว่าท่าตามธรรมชาติถ้าจิตเราเห็นเช่นนั้นตามความจริงก็สามารถที่จะถ่ายถอนความมิดมั่นถือมั่นในกายตนได้สามารถที่จะถ่ายถอนความมิดมั่นถือมั่นในวัตถุท่าทั้งหลายในโลกนี้ได้ความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนก็ดับลงไป คามสที่แท้จริงก็จะโผล่ขึ้นภายในจิตใจของแต่และบุคคลเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นคำสอนที่สอนให้พุทธะไปตัดทั้งหลายได้พุทิบัติให้เป็นไปเพื่อความดับความทุกข์รือทําให้แจ้งซึงพันธุพานแต่วัตถุทางโลกนั้นไม่ว่าเราจะมีสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็าตามก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสภายในจิตใจเราได้ เละเราทุกคนมีความมุ่งหวังในการปฏิบัติเพื่อแสวงหาความบรรทุกหรือเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้ทุกโฮมทุกคนพึงพยายามาพเพียนที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งแต่การรักษาศีลการทำสมาธิการเจริญภาวนาพึงพยายามตั้งใจพยายามตั้งใจในการปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตนะอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้ายิ่งพระภิก ษ, ษ, ษุสามเณรซึ่งเข้ามาอยู่ในเพี้ยนผ้ากาบาพักนี้ในสมัยก่อนครั้งพระพุธการบุคคลซึ่งเข้ามาบวชอในเพี้ยนผากาบาพักนั้นไม่ได้บวชตามประเพณีตามพิธีตา่างๆแต่การเข้ามาบวชนั้นอยู่ในเพี้านผ้ากาบาพักนั้นมาปฏิบัตินั้นเพื่อทําให้แจ้งชึงนพระนิพพานอันนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรที่จะไม่ประมาท ควรที่จะพิจารณาถึงความจริงของจิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเ่องมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายไปในที่สุดเราไม่ควรที่จะประมาดในจิตควรที่จะกระทำคุณงามความดีในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นทําความดีให้ถึงพร้อมจิตใจเรานั้นจึงจะมีที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งโดยศีลที่พึ่งโดยสมาธิที่พึ่งด้วยปัญญา ในการที่จะรู้เท่าทันกิเลสยร้ ล, ล ะ, ระวางความวิดมั่นถือมันในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใ จ, ใจใเราเราก็จะพบว่ความสุขที่แท้จริงขอข อ, อยุติเพียงเท่านี้